ทัศนะส่ธรรมเรื่องท่านอาจารย์สวนโมกกับสุนทรียภาพโดยอาจารย์โกวิทอเนกชัยเขมานันทะวันที่17พฤศจิกายน2536หัวรข้อในวันนี้ก็คื อ, อท่านอาจารย์สวนโมกนะครับซึ่งเราจัด กันดีแทบทุกคนกับสุนทรียภาพเราหัวข้อดูออกจะแปลก Black, ตรงที่ว่าเราทราบกันดีว่าพระภิกษุหรือบรรพชิตในพุทธศาสนานั้นมักจะถูกมองว่านผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะรเพลงหรือจิตกรรมหรืองานศิลปะทั้งหลายขึ้นเนื่องด้วยอารมณ์สุนทรี ผมเองไม่ได้มีเจตนาที่จะพูดอะไรแลงแต่เนื่องจากผมเองได้รับรู้ในส่วนนี้โดยเฉพาะก็ว่าได้ครับเพราะว่าตัวเองรับหน้าที่เขียนลาะคัดลอกจิตกรรมปริศนาธรรมล้ำเลิศของบรรพบุรุษของชาวพุทธในประเทศนี้ขึ้นบนฝาผนังโรงมห า, าศพทางบิญญาณ ในการที่จะคัดภาพเหล่านั้นขึ้นผมต้องปรึกษาหารือกับท่านในเรื่องที่จะปรับปรับปรุงขนาดสเกลแล้วก็สีสันดังนั้นเองยังได้รับทราบความรู้สึกด้านสุนยตรีของท่านอาจารย์และเพียงอยากจะเผยแผ่ให้ท่านทั้งหลายที่สนใจ ในอัตรียภาพของท่านอาจารย์วนโม่ได้รับทราบบ้างเท่านั้นครับกรณีใดผมอยากจะแสดงความรู้สึกสักอย่างก่อนนะครับการที่เราพูดถึงอารมณ์รู้สึกนึกคิดของท่านผู้วายชนนั้นเป็นสิ่งนี้ต้องระมัดระวังมากเพราะว่าท่านไม่อาจลุกขึ้นมาตอบโต้ว่าเราพูดถูกหรือพูดผิดอีกดังนั้นเอง เป็นไปได้ที่ธทรรมเนียมขนรรมเนียมไทยจึงให้ผู้ที่อยู่ภายหลังเลือกพูดถึงผู้วายชนนนั้นในทางที่ดีไว้ก่อนเพราะว่าในทางดีนั้นไม่ต้องแก้เท่าไหร่นักแต่ถ้าเราพูดพลาดไปจากความจริงแล้วก็เสียหายทีเดียรครับสับถัดมานะครับผมอยากจะ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 ยั่งยืนอมาตะนะฮะส่วนศิลปะที่เราเห็นทุกวันนี้เนี่ยอาจเป็นเพียงพน้พนพวงของเทคโนโลยีเท่านั้นทำอะไรยุ่งยุ่งพิสดารพันลึกแล้วเราก็เรียกว่าเป็นศิลปะสิ่งนั้นจะมีประโยชน์ทางด้านมโนธรรมเนี่ยน้อยครับแล้วเป็นสิ่งวู่วาวสาบฉวยนะส่วนสศนทียภาพนั้นนะครับ เป็นคุณสมบัติดูเหมือนที่เป็นคุณสมบัติที่แสดงออกเมื่อจิตใจของแผ้วประพัดสอนความงามนั้นเปล่งประกายออกจากเนื้อในของดวงจิตดังนั้นในหลักอริธรรมนะครับคือธรรมะชั้นสูงในพุทธศาสนาเนี่ยจะบอกเล่าเราว่าก่อนหน้าที่ปัญญาภูมิปัญญาชั้นสูงจะปรากฏจิตดวงหนึ่งปรากฏขึ้นก่อน เรียกว่าโศภะนจิตจิตงามจิตที่จำสายพระพัฒสอนเกิดขึ้นต่อลำดับต่อไปนั้นก็ปัญญาจะตามมานั้นในประเด็นในความหมายนี้นั้นสุนทรียภาพเป็นสิ่งแนบแน่นกับเรื่องของสัจ ธ, ธรรมครับไม่ใช่เรื่องที่สวนทางกับธรรมะหรือสัจ ธ, ธรรมมุ่เหตุที่ทำให้เข้าใจผิดกันเพราะว่าเราไปคิดว่าเรื่องสุนทรีเป็นเรื่องเลีวไหล แท้จริงสุนทรีภาพคือเป็นเรื่องอารมณ์สุนทอนในท่ามกลางของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายบุรุษแห่งปัญญาผมใช้คําบุรุษเนี่ยหมายถึงผู้หญิงด้วยนะบุรุษแห่งปัญญาสามารถรื่นรมมีความรื่นรมในท่ามกลางกระแส ข, ของเกิดแก่เจ็บตายได้ด้วยอํานาจของภูมิปัญญามีคํานิยามที่มาจากแหล่งที่มาที่หนึ่งที่ใดครับว่าพระภิกษุนั้น รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจด้วยดวงจิตอันรื่นรมข้อนี้หมายอริยสัจเรารู้ว่ามันเริ่มต้นได้ทุกนะทุกข์ษัตริย์ไม่ได้หมายว่าเราต้องทุกข์กับความทุกข์ไม่ใช่ว่ารู้อริยสัจด้วยจิตใจที่มลหมองแต่แทงตลอดสัจธรรมอันนี้ด้วยดวงจิตที่รื่นรมนี่คือข้อเงื่อนของสุนทรียภาพครับ ผมจะต้องตีวงกว้างไปสู่ซีกโลกทั้งสองนะครับตัวนออกและตวนตกเพื่สาวก็สู่รากเหง้าของที่มางความหมายมคำว่าสุนทรียภาพก่อนรวมไปถึงความหมายของศิล ป, ปะด้วยนะครับมีคำอยู่สามคำที่ความคาบเกี่ยวกันไม่เหมือนกันแต่คาบคาบเกี่ยวโยงใ่ซึ่งกันและกัน คือสิ่งที่เรียกว่าความจริงความงามและความดีสามสิ่งนี้ในโลกตนตกมั ก, กถูกสร้างให้เป็นสัญลักษณ์ของเทพธิดาสามองค์สามคุณค่าที่เรียกว่าท Graces ถ้าผู้ที่ค้ามวอดในเรื่องของในโลกศิลปะจะรู้ว่าภาพขีนของบอสติเชลีอะไรนจะมีภาพเทพธิดาสามองค์กาลังโอบ ก, กอดกันอยู่ ที่จริงนั่นเป็นสัญลักษณ์ของความงามงความดีและความจริงนูเรเยฟนักบําปลายเทา้าคณะบอลชอยนะครับมาเต้นลาลงที่กรุงเทพนี่เองเต้นลาลงนะครับเขาได้เอาสามลักษณะ น, นี้มาเป็นตัวละครแต่ในการเต้นไล่ลำเริงลาของเขานั้นเขาเน้นเรื่องศิลปะมากครับความงามเขาเน้นเรื่องความงามว่าเป็น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 ต้องประสานแนมแน่นกับตัวความจริงดังนั้นที่เกิดคติทัศที่ว่าถ้าจะให้รู้จักดอกไม้ของพระอรหานต้องเพ่งดูที่ซากศพซึ่งอันนี้ผมคิดว่าแนวทางโดนตกรับไม่ไหวครับหรือว่าซากศพงามเพราะว่ามันจริงดังนั้นความหมายของสูนท์ชุิภาพนี้ลุ่มลึกแล้วครับลุ่มลึกในท่มกลางของความทุกข์ยาก เจ็บปวดทุกทรมานนี้ครับคำถามหลักเกิดขึ้นว่ามนุษย์สามารถขึ้นลมชีวิตช่นนี้ได้หรือไม่หรือว่าชีวิตต้องมีแต่ทุกตั้งแต่เกิดจนตายนะผมอยากให้ย้อนไปดูทัศนะของปราชทางตะวันตกนับตั้งแต่อริสโตเติลนะครับจน พับลปิกาโซศิลปินที่โลกยอมรับโลกอาจจะไม่ยอมรับนะแต่ก็ถือว่าโลกก็ยอมรับว่าเป็นผู้เปล่งปราดในเรื่องของศิลปะหรือสินทรียภาพปลาเหล่านั้นมองว่าศิลปะหรือสุนทรีสุนทรียภาพที่ก่อเกิดจากงานศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่เหนือกว่าความสัตย์จริงของธรรมชาติปิกาโซเองพูดว่า สิ่งใดที่ธรรมชาติไม่มีให้ศิลปะมีให้ได้ดังนั้นความงามความดีและความจริงไม่จําเป็นต้องร่วมกันอาจจะแยกกันได้เราสังเกตอันนี้ดีนะครับในขณะที่ทวนอกถือว่าแยกไม่ได้อะไรงามต้องจริงเมื่อจริงเหมันก็ต้องดีมันดีมันงามมันจริง ม, มันโยงกันอย่างแน่นแฟนมากเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าที่แข็งแกร่งที่สุด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 โอลิมเปียซึ่งเป็นภาพนูดซึ่งเขียนโดยโมเน่มานครับสิบยุคเริ่มต้นของ i m p r e s s i o น i s ซึท่านที่ไม่อยู่ในแวดวงศิลปะฟังยากครับแต่ว่าแต่ว่าผมพยายามที่จะรักตัดเพื่อให้เข้าสู่ประเด็นนะภาพนั้นเป็นภาพเปลือยครับผู้หญิงเปลือยเทพธิดาโอลิมเปียนอนอยู่บนเตียงนอนถ้าเห็นเข้าท่านงับหนังสืออย่างแรงๆจบอนี่เป็นภาพที่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 ท่านอาจารย์ได้แสดงความเข้าใจอีกระดับหนึ่งแสดงว่าท่านมีพัฒนาการตลอดเมื่อได้สัมผัสอะไรแต่ปฎิยาครั้งแรกท่านปฏิเสร็จภาพอย่างนี้จะเป็นศิลปะไม่ได้มันท้าทายศิลธรรมท้าทายต่อช่วงท่าที่เรียบร้อยของของมนุษย์นี่ยท่านพยักหน้าบอกผมเข้าใจแล้วที่เขาเปลือยเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการให้เป็นฟิกเกอร์ที่เป็นสากลไม่อยากให้เป็นชาติหนึ่งชาติใดผมรู้สึกขึ้นในอัจฉริภาพด้านนี้ท่านคือท่านแสดงความเข้าใจได้อย่างรุดเลยมากครับ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 เราจะจับเอาทฤษฎีของฮินดูหรือหรือคติทัศ์ของชาวจีนหรือปราชญ์จีนโบราณว่าในเรื่องตันเถียนนะครับคือแหล่งที่มาของพลังชีวิตผู้ที่เล่นไทเก๊กกด็ดีหรือวาดรูปแบบจีนได้จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีมากครับออฝ่ายฮินดูนั้นมีทฤษฎีเรื่อทฤษฎีกุนทลินีถือกันว่าที่ฐาน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 เราเห็นว่างูสองตัวที่พันคบเพลิงที่เป็นเครื่องหมายของกรมการแพทย์นะฮะที่ยังมีคติความเชื่อจากจากอียิปต์โบราณงูสองตัวชื่อนีนาสูนีนิซิด า, าวิชาที่เรียกว่าเคมีดำหรืออัลเคมีนะครับแพร่หลายอยู่ในโลกครั้งอดี้แต่อัลเคมีไม่ได้หมายถึงการเล่นแร่แปรธ า, าตุเปลี่ยนตะกั่วให้เป็นทองคําแต่ถือว่าเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นเซียนนี่นก็เป็นอัลเคมีครับเป็นการเปลี่ยนแปลง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 นั้นตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของจีนนะครับประชจีนมองชีวิตเข้าสู่กระบวนการพัฒนาพลังชีวิตไม่ว่าการลบทับจับสึกไม่ว่าการเยียวยาเพกีฬาเเพศาสต์ก็ดีหรือศิลปะก็ดีเป็นการดึงพลังที่ซ่อนเล้นออกมาใช้มันรวมไปถึงสุขภาพพลานามัยด้วยครับอันนี้เป็นเปรียกเสมือนนิพนธ์หรือตีศของโลกซีกตัวหนอ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 ถ้าขึ้นสูงส่งขึ้นมาก็ถึงระดับเสียนหรือเทพนะมโนราปักใต้ของเรานะครับที่จริงเป็นโยคะเป็นหน้าเตโยคะเมื่อสาวดึงงอาพลังขึ้นมาเบื้องสูงท่าแต่ละท่าท่าศัจชาตรีนั้นเป็นท่าที่บอกลักษณะของความงามเยี่ยงเทพคือเป็นทิพย์เราจะลืมหน้าตาผิวพันณที่ด่างดำของนักฟ้อน แต่เรามองเห็นท่วงท่าที่สง่างามเจ้าจ้าใ น, ในที่เขาแสดงออกประชาชนไทยทั้งอยู่ในประเทศนี้และนอกประเทศนะครับที่เรียกตัวเองว่าสยามหรือไทยอาหมอะไอเงี้ยมีแนวโน้มที่จะตอบว่าผู้ผู้ถามเขาว่าเขามีเชื้อสายโนราคําำโนรานี่กลายเป็นเหมือนกลายให้เชื้อสายอะไรบางสิ่งทีงยิ่งใหญ่และงดงามยิ่งนะ สืบสารต่อนะครับว่าเมื่อพลังชีวิตถูกดึงขึ้นในบรรจั ก, กราแต่ละฐานเนี่ยมนุษย์จะเปลี่ยนไปตามฐานของพลังอันนั้นถ้าว่าถึงระดับที่ที่หน้าผากก็อาจจะเล็งแลเห็นสุนทรียภาพในองค์ะผู้เป็นเจ้าได้และเรียกสิ่งนี้ว่ากฤษณมนัสคือมีน้ำใจเยี่ยงเทพเจ้านะดังนั้นจากคติทั์อันนี้นะครับบอกเราว่าความงามเป็นเรื่องของการ พัฒนาภายในพัฒนาจิตใจหรืออารมณ์ภายในจนแลเห็นความงามได้ดังนั้นความงามเป็นเรื่องของภพภูมิแต่เลี้ยวแล้วไปทางตะวันตกนะครับศิลปินเขาา จ, จะอยู่ในสตูดิโอเพ้นด้วยสีสันวันรายแล้วก็เหนื่อยเข้าก็าไปก๊้องเมาม า, มาทํางานต่อดงนั้นท่าทีของศิลปินตะวันตกเป็นท่าทีของปราดทางสุนตรี แต่ท่าทีของตัวหน อ, อกนั้นจิตกรก็ดีเป็นท่าทีของนักพรตเราจะพบว่านักรตเตาก็ดีนักรตจีนก็ดีมักจะวาดรูปแต่ลักษณะไม่ไม่เหมือนกันเนีย่ยอันนี้ผมชี้แจงให้เห็นนะครับว่าโลกเคราะห์กดตีตั้งต้นจากซีโลกตัวน อ, อกมีความเข้าใจต่อสุนทรียภาพแนบแน่นกันในาศาสนาเรีสุนทรียภาพในองค์พระผู้เเจ้า เดี๋ยวแล้วทั้งโลกสีตวันตกก่อนหน้ายุคสมัยที่เรียกว่าฟื้นฟูศิลปะวิทยาหรือที่เรียกว่ารินองนั้นเราเรียกกันว่ายุคไบเซนไทน์คือยุคที่คำสอนพระเยซูนั้นยังไม่ได้รับการรับรองจากเจ้าครองนครจ ะ, จะต้องมีโบทใต้ดินจะพบปะสวดมนต์ที่ัต้องหลบหลบซ่อนๆในช่วงนั้นการแสดงออกศิลป์นี่นับเปนงามและทอมมากครับแล้วก็เชื่อมั่นว่า กาที่ใครสัคนหนึ่งวาดรูปเป็นร้องเพลงเป็นหรือเป็นกวีเป็นกวีคนสำคัญนั้นเนื่องจากการดนบรรดาลขององค์พระผู้เป็นเจ้าศิลปะความมีพรนั้นเป็นเพียงพรสวรรค์พระผู้เป็นเจ้าอาจจะประทานพรให้ใครเมื่อไรก็ได้ที่จะเป็นผู้เป็นกวีเพื่อเพียงเพื่อสรรเสริญพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ย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 เพื่อนผู้เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายใช่ไหมฮะทักทายด้วยหลักความจริงอันนี้แล้วก็มีประการหนึ่งก็คือเวลาอธิษฐานให้พอรอวยพรซึ่งการกันนั้นจะบอกว่าขออํานาจคุณพระศีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกสองอำนาจอ้างถึงสองอำนาจหนึ่งเป้าหมายในสากลโลกตามคุ้มครองท่านนับตั้งแตว่วันนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่วันนิพพานเห็นไหมฮะ นี่เป็นนิพนธ์หรือตีสิที่ครอบคลุมผู้คนในครั้งอดีตผมคิดว่าสิ่งนี้สำคัญมากครับถ้าใครสกักคนหนึ่งทำผมให้ตาบอดแต่ผมไม่มีกระบวนทัศทัดแบบของเรื่องบารมีนะครผมไม่ต้องโกรธผมต้องแก้แค้นต้องเอาคืนให้ได้แต่ถ้าผมมีกระบวนทัศทัดบนการสั่งสมบารมีนั่นคือชีวิตนี้มีไว้เพียงเพื่อสั่งสมบารมี เสริมสารบารมีธรรมที่เคยสร้างมาแล้วนี่ให้เต็มเปี่ยมผมอาจจะต้องคิดว่าชาติก่อนผมคงเคยทําเขาบอดชาตินี้เขาถึงทำให้ผมบอดเรื่องจบทันทีนะครับเราจึงเห็นพลังของไอ้ไอ้ไอไอกระบวนทัศน์อันนี้รุนแรงครั้งอดีตนะฮะแต่ถ้าผมไม่มีในปัญหามีมากทีเดียวผัวเมียที่เจอในชาตินี้เพราะว่าสั่งสมบุญกันมาก่อนแล้วเราจะมาทิ้งกันได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมฮะ นั้นเขาอ้างลึกเข้าไปชีวิตไม่ได้โพผล่เฉพาะเท่ายิตาเห็นรากงาของชีวิตนั้นเทครูทออกลึกแสนนะครับพบกันอีกสั่งสมบารมีธรรไปเรื่อยๆแม้แต่เครื่องใช้กันมือกริดขวานะี่คือเกิดเดิ่มแน่นบารมีต้นไม้ไร่นาสาโถนะฮะสิ่งนี้ผมรู้สึกว่าจืดจางลางเลือนไปจากทังคม น, นี้ศิลปินครั้นกดีนะฮะเราพบว่าฝ่ายเทราวาธเราพุทธศาสนาฝ่ายเทราวาธเนี่ย มีระเบีบโดยเฉพาะในศีลแปดนะครับว่าห้ามร้อง ล, ำำลงัมําเรงซึ่งเป็นเรื่องอารมณ์สนตรีเป็นเรื่องของศิละปะแต่ท่านก็ทราบดีนะครับชอบฟ้าใบกะเจดีย์งดงามพลิ้งพลายนั้นฝีมือพระทั้งนั้นเลยครับมันน่าแปลกตรงที่วมันมีความขัดแยง้งอย่างไรชอบกันซึ่งเราต้องทําความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าโดยศีลห้ามคุณเล่น น, นั้นแต่ถ้าคุณเล่นเพื่อธรรมะแล้วก็ได้เห็นไครับ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 พี่สปายเขาเลี้ยงหมูครับเขารู้ตั้งแต่ต้นว่าเขาจะเลี้ยงไปขายแต่พอวันขายก็ร้องไห้เป็นวักเป็นเวรเลยมันมันบอกอะไรบางสิ่งนี่ว่าเขาเลี้ยงขายจริงแต่เขาเลี้ยงมันอย่างดีเลยมาถึงปัจจุบันนี้นะฮะเช้าวันนี้ผมอ่านข่าวที่น่าสลดเกิดขึ้นที่อเมริกาชายชราอายุร้อยี่สิบปีถูกไม้ทพธนูฟาดตายค่ะ ท, ที่ยิงร้อยี่สิปีผลักทีเดียวก็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 ผม เ, เองเรียนทางศิลปะเมื่อผมจะเล่าสุนทรีของท่านอาจารย์นั้นจําเป็นมากที่ผมต้องเล่าความรู้สึกส่วนตัวด้วยเพราะว่าผมได้ปรับเปลี่ยนกระบวนทกน์จากท่านครั้งแรกสุดผมเจอท่านนั้นผมตกตะลึงในบุคลิกภาพเมื่อกี้เล่าให้เพื่อนฝูงฟังนะครับเพราะว่าเราไดพบแต่ผู้นําไม่ว่าในทางสาขาใดที่เราพอจะเข้าใจได้จะเป็นนักธุรกิจจะเป็นครูบาอาจ า, ารย์มหาเลยนะครับ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 ให้คะแนนตัวเองเพราว่าเองเออเองนะผมก็้าใ่าท่าอาจารย์ท่านอยากจะให้ผมเข้าใจความจริงที่ยิ่งกว่านั้นดังนั้นวันหนึ่งท่านก็อผมต้องเล่ารายละเอียดนิดนึงครับไม่งั้นจะจับประเด็นไม่ได้ครับมีมีเรือซึ่งเป็นที่เก็บถังน้ําฝนนะครฮะบนเพดานเรือนั้นท่านได้เดินทางไปที่เกาะสมุยเอาหินสวยๆนี่ก็เป็นแง่หนึ่งที่ว่าท่านอาจารย์ท่านมีสุนทรียภาพท่านเลือกหินที่รูปร่างแปลก มากองสูงไว้บนหลังเหลือนะครับโดยมีแผนการที่จะตกแต่งจัดให้มันเป็นวงจรของปฏิจจสมุปบาทเพื่ออธิบายญาติโยมที่ไปเที่ยวเนื่องจากท่านไม่ค่อยมีเวลาท่านทำงานลี้เริ่มหลายด้านตั้งเข้าขึ้นหลายแง่หลายมุมประกด้วยลาร่วงเลยเปหลายปีฝนตกน้ำท่วมกันมาเกือบถึงเขา่าแล้วก็มีปลาช่อนปลาไหซึ่งมาได้อย่างไรก็ไม่มีใครทราบครับ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 แล้วท่างก็ยื่นตาขายไนล่อนสีฟ้าสวยที่เดือรครับผมบอกคุณไปจับดูผมก็ไปที่นี้มันเล่นกันจดเที่ยงครับจับไม่ได้ครับผมไม่เข้าใจทำไมยังไม่ได้มันก็ตาขายธรรมดานะตาขายไนล่อนนึกออกไหมฮะผมไป บ, บอกท่านว่า ม, มันจับไม่ได้เลยท่านบอกว่าตาขายสีมันสวยมันสะดุดตาปลาคุณลองอันนี้สิหยิบตาขายเหล็กแข็งปังไว้เลยนะผมก็เอาไปจับจับได้ กลับมาบอกท่านต้องบอกอผมแปลกแใจท่านก็ไม่ได้สนใจผลหลังจากผมจับปลาเสร็จท่านก็ไม่ได้สนใจมันอีกเลยคล้ายๆท่านมันรู้เป้าหมายของท่านแล้วที่จะบอกว่าตาขายสวยๆมันไม่ได้เรื่องหรอกมันทําอะไรไม่ได้ผมเริ่มคิดนะเริ่มกระทบคือท่านจะเป็นผู้ที่ฉลาดมากในการหยิบเหตุการณ์สดๆขึ้นมาแล้วผลักมันเข้าสู่การหล่ อ, ล, อล้อมอารมณ์ภายในให้เปลี่ยนทัศน์นะ เอครั้งหนึ่งผมกําลังทาสีเอาโรกเตสวนโพยสระในการทาสีเพื่อที่ปรบสีเดิมซึ่งเป็นสีซีเมนเมื่อนานเข้ามันกระดากระด่างนะครผมทาเสร็จกําลังทาอยู่ท่านก็เดินมาอยู่ข้างล่างผมอยู่มันข้างบนครับบนห้างบนร้ า, รานออ ท่านพูดขึ้นลอยๆอยครับบอกว่าสีไหนอยู่ให้เอาสีนั่นซึ่งอั น, นี้เป็นเป็นสิ่งที่มีอุปการะกับผมมากมากเพราะว่าเมื่อเราทําการอะไรเราจะมักจะกังวลกับสิ่งที่เราทํานะคัท่านบอกว่าสีไหนอยู่ให้เอาสีนั่นสีไหนที่มันลอกก็ให้มันลอกไปตามเรื่องตามการเวลาเไปสิ่งอ่ันนี้ครับที่ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับผมในช่วงนั้นนั้นนะครผมจะต้องวกเข้าสู่ การสอเรื่องสุนทรียภาพอีกสักคนหนะ่งครับว่าอารมณ์สุนทรีนี้นะครับเกิดขึ้นกับจิตใจเช่นไรและเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันส่งผลดีหรือผลเสียเราจำเป็นต้องย้อนไปสูออ่พระพุทธเจ้านะฮะผู้เป็นต้นต่อหรือเป็นต้นฐานของพระพุทธศาสนา กิริยาอาการที่พระเจ้าท่านเหลียวหลังด้วยท่าที่เรียกว่านาคาวโลกนะครับท่าช้างเหลียวหลังเมื่อท่านจะเสด็จไปที่กุสินาราเพื่อปรินิพพานซึ่งเป็นอิริบทที่แปลกประหลาดจนพระนนต้องถามคล้ายๆท่านอะไรอววรต่อโลกนี้เลี้ยวไปดูนั่นอันหนึ่ง